กเราก็าไปทำบุญตามโรงบาลตามไหนนะบางคนก็ส่งช็อตโน้ตให้หลวงพ่ออนุโมทนามีเยอะเลนั่งหา่า <c> น <oughs> นั่งานไปชั่วโมงชั่วโมงบุญมีโอกาสทำก็ทำไว้บุญจะดีต้องประกอบด้วสติปัญญานะี่เราทำบุญ เราเจอกิเละบุญเราเล็กนิดเดียวกุศลก็เจริญขึ้นหน่อยอกุศลก็เจริญขึ้นด้วยไม่ดีไม่สะอาดครๆสัดผ้าไปแล้วก็เอาของสโสโครกใส่ลงไปด้วยเจือปนไม่ดี งั้เราจะสร้างความดีนะจะทำทานรักษาศีลจะภาวนาทําด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆทําด้วยกิเลสถึงศีลด้วยกิเลสก็มีนะทาทานด้วยกิเลสก็มีบางคนไม่จัดมาทาทานเลยแต่เป็นการลงทุนใครทําบุญแล้วรู้สึกว่าเป็นการลงทุนมัน้งมีไหม ี่วังผลในอนาคตมีพ่วงหนึ่งแสนผลนี้อีกวังผลในปัจจุบันอย่างไปโคลกระสมพานสักวัดหนึ่งไปบริจาคเงินให้ห้าพันบาทอะเงี้ยราบอกท่านเขียนไปเลยห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งไปลดภาษีได้มากกว่าที่ให้วัดอีก แบบนี้ก็มีนะอย่างนี้ไม่เรียว่าทาบุญนะนี่เป็นการลงทุนนอกระบบนะเจ้าตัวก็แค่ถูกปรับไปถ้าเขาจับได้พระถูกจับศึกติดคุกด้วยนะเป็นเจ้าพนักงานสมพานเนะี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะเจ้าพนักงานประพฤติไม่ชอบเนะีนะ่ยก็โดนหนัก เวลาเราจะทำบุญทำทานจะถือศีลจะอะไรนี่พยายามทำเพื่อลดละกิเลสไม่จะทำแลรวเพิ่มกิเลสหรือทำเพื่อเจริญกุศลอย่างเราไปช่วยคนยากคนจนคนเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ทำด้วยความเมตตาทำด้วยความเมตตาชะบุญเราจะเต็มอย่างบางทีเราก็ไป ทำบูญลงาบาลแล้วก็หวังว่าจะไม่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยทีนี้ยังมีหวังเล็กๆซ่อนอยู่นะแล้วป่วยไหมป่วยบางคนมาขอพอหลวงพ่อนะเอาของมาถวายนะถวายแล้วก็ขออย่าให้หนูเจ็บป่วย หลวงพ่อก็ถอนใจหลวงพ่อก็ป่วยเว้ยทำอะไร่ะให้มันโง่การที่เรามีธาตุขันอย่างร่างกายเราอย่างนี้มันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมในอดีตส่วนหนึ่งเราทำกรรมดีมาเราได้เป็นมนุษย์ไม่บ้าบาใบหนวด แต่บางคนก็มีอกุศลตัดรอนนะอย่างพวกที่ชอบฆ่าสัตว์มันมักจะเจ็บป่วยหรืออายุสั้นมีลูกศิษย์หลวงปู่ ม, มั่นองหนึ่งนะท่านหลวงปู่ ม, มั่นบอกเลยว่าองคนี้เป็นเนนนะปวดเนนองเนี้ไม่เคยได้เป็นพระมาหลายชาติลนะได้แค่เนนเท่านั้นแล้วตายก่อนทุกทีเลย โลบูมันท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นเสือแเรวก็ฆ่าสัตว์ไปเยอะกรรมของปานาติบาตก็ตัดรอนงั้นถึงบุญให้ผลมานะก็ยังมีกรรมตัดรอนได้อีกอย่างพวกเราบางคนก็บุญให้ผลมาได้เกิดเป็นมนุษย์มีกรรมตัดรอ น, นเคยชี้โมโหโทโโซะอะไรเงี้ยนะ เกิดมาหน้าตาไม่น่าดูเลยกับศีลกับพ้องกับแ พ, พร่งว่าโมโหขี้โมโหเนะี่ยบางคนเขาเกิดมาสวยใช่ไหบางคนเขาเกิดมาหน้าเกลียดเกิดมาหน้าเกลียดเขามีบุญให้ผลอีกอาจจะบร้ยฉลาดอนะไรเงี้ยคนชอบบอกคนสวยมักจะโง่จริงเปล่าใครเป็นคนสวยยกมือซิ ไม่ยอบยเกเขินถามจริงอ่ะรู้สึกไหมเราก็สวยเหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยมีคนตาสวยหาตรงไหนไม่ได้แล้วเอาที่เล็กๆ เ, เขาสวย <c oughs> เขางาม <c oughs> เขาเคยรักษาศีลมันดนะีไม่ขี้โมโหโตโสอะไรเย่งนี้ ส่วนจะฉลาดหรือจะโงอ่อยู่ที่เคยฝึกอบรมปัญญาไหมเคยจเจริญปัญญามาบางคนหน้าตามไม่สวยแต่เคยจเจริญปัญญามาเยอะฉลาดบางคนสวยด้วยฉลาดด้วยบางคนไม่สวยด้วยไม่ฉลาดด้วยแต่ยังได้เป็นมนุษย์อยู่บางคนเป็นมนุษย์แล้วก็พิการแต่กําเนิดอย่างเงี้ย เรียนธรรมะไม่ได้พวกนี้ถือว่าอาภัพนะถือว่าอาภัพตอนเกิดเนี่ยไม่ได้เกิดด้วยจิตที่เป็นกุศลที่มีพลังไม่ได้เกิดด้วยมหากุศลที่เป็นตัววิบากของมหากุศลจิต่เกิดด้วยกุศลที่มีกําลังอ่อนๆเรียกสัมปติช น, นะไม่มีกําลัง แต่ยังพอเป็นคนได้หรือเป็นเทวดาได้แต่เป็นเทวดาพิการก็มีนะเทวดาไม่ใช่ดีตลอดั้งกรรมจัดสรรเราฉะเั้นเราทำบุญด้วยทำบาปด้ว ย, ยเวลาบุญให้ผลหรือให้ไม่เต็มที่ให้ไม่เต็มที่เะนั้นทำบุญทำทานอะไรทำด้วยสติปัญญา จะเชื่อกิเลสบุญของเราจะได้สมบูรณ์บุญที่สมบูรณ์เป็นบุญที่ลดละ ก, กิเลสทําให้เราใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆทําบุญแล้วก็ขอโน่นขอ น, อ น, ขอนี่ก็เวียนอยู่ในโลกไม่ได้ผ่านหรอกบางคนมาใส่บาตรเคยนะมีมาใส่บาตรหลวงพ่อนะตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพเดินมีตนบัดมาอยู่นี่ไม่ได้เดินแล้ว หมู่บ้านมันห่างออกไปมากนะไปกับสี่โลเนี่ยไปบินตบาดกลับมาเทศไม่ไหวแล้วเลยเอางานหลักเราคอนเทศลูกศิษย์ไปบินตบาดมาให้เราฉันก็ฉันได้เราไม่ได้เลือกแล้วแต่ว่ามีอะไรก็ฉันนั้นนั้นมิยมคนนึ่งมาใส่บาตรหลวงพ่อนะตังทุกโศโรคภัยฮะ แต่มันมันใส่มันทำบุญหรือมันทำอะไรเนี่ยนะเอาสิ่งเลวๆนะมาใส่ในบาตรเราเต็มไปหมดเลยนะทุกโศกรอดภัยนะขอให้หายเจ็บหายไขย้ฝากความเจ็บไข้ไปกับหลวงพ่อด้วยมาฟังฮนะเราแทบจะคว่มบาตรหนีเลยนะวัน น, น, นั้นพอฉันข้าวเสร็จนะหลวงพ่อไข้ขึ้นเลย นะไม่รู้คำอธิษฐานเขาแรงหรือกรรมของเราจัดสรรนะป่วยไปเลยนะแล้วก็ให้อาจา ร, รย์อาตอนนี้ยังไม่บวชนะบอกไปบอกโยมหน่อยว่าวันนี้ไม่ได้ไปบินฑบัตะนะเขาใส่พระอื่นไปใหญ่นะคนนี้เขาอุทานใหญ่คนที่ใส่บาทหลวงพ่อนะอุทานอ้าวพระก็ป่วยได้เหรอเออมชิดได้แปลกมากเลย คงลืมไปพระก็ตายพระก็ต้องป่วยได้พระยังตายได้เลยงั้นพยายามทานะทาบุญทาทานมีโอกาสก็ทำหลวงปู ด, ดูลท่นสอนหลวงพ่อไม่ค่อยได้เน้นเรื่องทาทานอะไรจะเน้นแค่เรื่องรักษาศีลภาวนาสมถาวิปัสสนาอนะไรยงนี้ ความจริงคำสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญานะส่วนใหญ่เขาสอนพระถ้าสอนโยมจะสอนเรื่องทานศีลภาวนาให้ทำทานให้ทิดศีลนี่หลวงพ่ออัพเกรดพวกเราไปสอนมุ่งเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์เลยไม่ใช่สอนว่าให้เวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีแค่นั้นด้อยเกินไป ก็เลยไม่ได้ค่อยพูดเรื่องให้ทำทานอะไรนะปีหนึ่งก็ชวนทำสักทีหนึ่งพอละก็เรียกเป็นกระสายยากันคนอื่นว่าว่าไม่สอนลูกศิษย์ให้ทำทานเดี๋ยวชาติหน้าลูกศิษย์จนชาติหน้าจนก็ช่างมันพลายอะ่ะมันไม่เกิดแล้วก็ไม่เป็นไรละจะจนจะรวยอะ่ะนะ ถ้าใค่คิดว่าจะต้องเกิดอีกก็ทําทําไว้มีโอกาสทําก็ทําให้แต่อย่าทาชั่วทําบุญทาทานอะไรก็ทําด้วยจิตใจที่สะอาดจริงๆอย่าทำเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นสัตว์อื่นเนี่ยได้บุญนะได้บุญเยอะทํำด้วยเมตตาเมตตามเป็นตัวบุญอยู่แล้วนะใจเรามีเมตตาเราไปช่วยเขาอไปซื้อเครื่องอะไรนะเครื่อง เราซืออ๋อจะไช่วยช่วยอย่างนี้ก็ได้ให้เครื่องช่วยหายใจอันท่าซาวเครื่องน้นเครื่องนี้มีกําลังก็ทําไม่มีไม่เป็นไรไม่มีก็ทําพุนอย่างอื่นทําทานอย่างอื่นก็ได้นะอย่างคนไหนทําให้เรากโกรธเนะี่ยเราให้อภัยเขานี่ก็ทานนะเรียกว่าอาภัยทาน เขาไม่มีความรู้เราให้ความรู้เขานี่เพื่อเป็นธรรมทานเนื่องทานไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสมอไปถ้ามีโอกาสก็ทําถ้าไม่มีก็ไม่ทํำก็แค่นั้นเองไม่ต้องกลุ้มใจเห็นชื่อหมอไม่อนกันส่งช็อตโน้ตมาให้หลวงพ่อดูไปทำบุญอะไรมากก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วรู้สึกเข็ดเข็ดว่าทํามาแย่ๆเลยใช่ไหมไม่ใช่นะ <c oughs> อ๋อรักษาคนไข้เนี่ยก็เป็นบุญรักษา ค, คานไะข่เห็นไหมช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาก็เป็นบุญนะบุญทำแล้วมีความสุขใจที่มีความสุขจะมีสมาธิง่ายใจที่มีสมาธิจะเดินปัญญาได้ ้มันสืบทอดกันน้ำส่งทอดกันขึ้นไปพัฒนาแต่หลวงพ่อไม่ได้เน้นเรื่องให้ทำทานทำไรนะเบื่อพูดจริงเนี่ยเบื่อเบื่อตั้งแต่ตอนเป็นโยมแล้วเวลาเจะอะอพรรษาเนี่ยซองกระถินมาต้องปึกเนี่ยโอ้เราเห็นแล้วแค่สองละร้อยเงินเดนเราก็จะหมดแล้วเรารู้สึกไม่เกิดศรัทธา เรารู้สึกเกิดทุกขเวทนาทางใจตรวจกันบ้านคงได้แค่พวกอยู่วัดแหละค่ะโดยปกติอาคารมักจะเห็นอารมณ์ของโมโหงุทกิซึ่งเห็นเราบางทีก็ดับบางทีก็มีเห็นเลเวลที่มันมากขึ้นแล้วก็ดับบ้างไม่ดับบ้างาดูตรงนี้ดูที่พอใจไม่พอใจนะ การที่เราเห็นความโกรธนี่ยรียวเราเห็นสภาวะธรรมเมื่อเราเห็นสภาวะธรรมแล้วจิตอินดีให้รู้ทันจิตอินร้ายให้รู้ทันดูเไปตรงนี้เลยค่ะงั้นโสทสะเกิดแล้วใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะใจจะเป็นกลางใ จ, จเป็นกลางเดี๋ยวโทสะมันก็กระเด็นหายไปอีกช่วงหลังๆค่ะจะมีหลงไปคิดเยอะโดยที่หลงไปคิดตัวที่หนึ่งเห็นแล้วดับหลงคิดตัวที่สองต่อแต่หลังๆมันจะหลงแบบ ต่อเนื่องเรื่อยๆอะคะ่ะจนกระทั่งตอนฝึกนั่งสมาธิปกติใช้พุทโธ<ม>ซึ่งเมื่อก่อนนานๆจะหลงไ้คิดทีหนึ่งแต่ตอนหลังอะคะ่ะพุทโธไปเรื่อยๆก็ตัวหลงนี้เข้ามาไปเรื่อยๆอะ<ม>ค่ะเมื่อก่อนพุทโธไปเพ่งไปมันเลยไม่หลงไปคิดมันเครียดๆซึ้บืออยู่นั่นตอนนี้เราไม่ได้เพ่งมันก็เพลอเก่งซ้อมทุกวัน่ะ เดี๋ยวมก็เพลอสั้นลงสั้นลงก็คือทำไปเรื่อยใช่ไหมคะหยุดไม่ได้การปฏิบัติถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เราก็ถอยหลังไปนะนะั้นแล้วไปสปีดขึ้นมาใหม่ดีขึ้นแล้วก็เสื่อมดีแล้วเสื่อมสุดท้ายก็หมดแรงสปีดไม่ไหวแนละ้วตามบุญตามกรรมยังมีกำลังอยู่ยังหนุ่มยังสาวอยู่นะลุยปฏิบัติไปลุยปฏิบัติก็ทำอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้า ติศีลไว้ทุกวันทําในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันอ่านใจตนเองไปก็ไม่ไกลมาผลเท่าไหร่ค่ะมีคําถามเพิ่มอีกข้อนึงค่ะคือได้ดฟังเหลวงพ่อที่พูดว่าหายใจเข้าออกก็รู้หายใจออกก็รู้อะค่ะคือปกติติดในการพุทโธหายใจเข้าออกก็เลยทุกครั้งเวลาที่กลับมาดูก็จะพยายามหายใจเข้าออกทีนี้มีวันหนึ่งคือไม่ค่อยสบายอืแล้ว นอนดึกก็พยายามหายใจจนกระทั่งเจ็บเหมือนมันแน่นก็เลยปล่อยปล่อยแล้วก็ถ้าถ้าจะหายใจหอบก็ปล่อยให้หอบไปเลยก็เลยเห็นสภาวะความเบาของหายใจอันนั้นคือเห็นแล้วใช่ไหมคะใช่หายใจไม่ออกก็ไม่เป็นไรใจไม่ออกก็รู้ว่าหายใจไม่ออกหายใจได้แค่ไหนก็แค่นั้นมันอยู่ที่ใจเราอะคไม่อยู่ที่กายสมาธิมันอยู่ที่ใจ ใจเราเป็นกลางกับสภาวะอย่างกำลังหอบหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยใจไม่กังวลเห็นร่างกายหอบไม่ฝืนนะไม่ต้องพยายามจะหายใจฝืนมากๆนะเหนื่อยหายใจได้แค่ไหนก็แค่นั้นนำมัจ ก, การค่าหลวงพ่อก็คือบางครั้งจะเห็นความความทุกข์กับความหดหู่โชยขึ้นมากลาง อ, อกอะคะ่ะ Mm hmm. มันผุดขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุของความทุกข์ไม่มีเหตุปัจจัยอะคะ่ะอยู่ๆมันก็ความทุกโชยขึ้นมานะคะ่ะแล้วแล้วบางครั้งก็จะเห็นว่าไอ้ความคิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราคิดอื mm hmm. มันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ mm hmm. มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอ mm hmm. มันมีความว่าเป็นเราทางทางห่างๆออกไปอะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็จะกราบขอาการบ้านหลวงพ่อค่ะก็รู้ทันกิเลสนะกิเลสอะไรมีขึ้นมาก็รู้ไปเรื่อยๆดูออกไม้มกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยความโกรธค่ะดีะรู้ได้ก็ดีแล้วก็หัดรู้หัดดูไปไม่มีตัวเราหรอกความโกรธก็ไม่ใช่เราแต่ใจนี่มันยังชอบใช้เหตุใช้ผลชอบคิดเยอะ คิดเยอะไปค่ะคิดมากยากนานค่ะรู้ไปไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องหาเหตุหาผลรู้สภาวะไปเรื่อยๆดูใจรับไปไม่มีตัวเราดูไปเอ า, าไปขอบคุณค่ะนำมสัส ก, การครับหลวงพ่อก็ เมื่อก่อนดูเป็นความโกรธครับเกิดบางทีก็เห็นเกิดบางทีก็เห็นดับนานๆจะเห็นเกิดแล้วก็ดับทีนึืงแล้วก็สักพักเห็นเป็นความอยากแทนนะครับเห็นแล้วก็มีเกิดแล้วก็มีดับแล้วก็นานๆทีก็จะเห็นเกิดดับตอนนี้เริ่มเห็นเป็นความหลงมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลงไปคิดจิตมันละเอียดขึ้นนะสติเร็วขึ้นเห็นหลงหลงดูยากนะโกรธดูง่ายโกรธมันยาก ดีแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่มีความทุกข์ก็จะรู้ว่าไม่ชอบครับแต่ว่าพอมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีความสุขมากๆนะครับแล้วพอหลังจากนั้นสักพักมันรู้สึกเหมือนว่าจิตมันก็มันโดนมันมันสั่นไหวมันมันสุขมากเกินไปแล้วบางทีมันมันทําให้รู้สึกว่าจิตมันมีความทุกข์ครับใช่แบบนี้ถูกแล้วใช่ถูกแล้วถูกเป๊ะเลย ความสุขมันมีสำหรับคนหลงเท่านั้นนะในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกระทั่งความรู้สึกสุขเนี่ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นของบีบคั้นทั้งนั้นเลยรู้สึกไหมความสุขก็บีบคั้นเฝ<ม>้ารู้เฝ้าดูนะต่อไปก็ไม่ติดสุขดีภาวนาใช้ได้ ค, ครับน้ำสกัดขลวงพ่อ เดี๋ยวหล<า>วงพ่อจัดการพวกที่ส่งกันบ้านแล้วหน่อยหลงนะพอส่งกันบ้านแล้วสบายใจแล้วนะอ้าวว่าไปมาปฏิบัติที่วัดแล้วทำให้รู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติ ม, มากกว่าตอนที่อยู่ที่บ้านก็เลยได้รู้แล้วว่าตอน เมื่อหลังจากกลับไปเนี่ยตัวเองจะตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นค่ะใช่จุดอ่อนนะหนึ่งสมาธิไม่พอสองปฏิบัติไม่ต่อเนื่องสองตัวนี้แหละที่ขวังคารวาทเอาไว้อ่าว่าไปหมดแล้วนะหมดแล้วก็แล้วกันเก้าโมงครื่งพอดีเลยนะ เดี๋ยวไปเรียนต่อกับพวกผู้ช่วยสอนนะ